อันมาตอนแรกก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีเพราะนึกไม่ออกบาทีเรื่องที่จะพูดมันมากเมื่อเย็นนี้ก็เห็นอาจารย์ออสก็พูดเรื่องความรักเปิดหัวมาก็พูดเรื่องความรักเลยที่ว่าชายหนุ่มคนนึงเวลาคนรักจากไปแล้วก็ไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อห้อยลืมตาเห็นฝาไม่เที่ยงเมื่อกี้อาจารย์วัชชัยก็สวดอภินิหาปัจเจกมนบทนี้อันมาชอบนะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยไม่ประมาาในชีวิตให้เราเห็นความแก่ความเจ็บ ความตายการพัดภาคสูญเสียแล้วก็เรามีกรรมไปของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบประมาทได้เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะดีใจเกินเหตุหรือเสีย ใ, ใจเกินเหตุได้ทำให้เราสามารถยอมรับความเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจําวันได้อันนี้คือข้อดีของบทสวดมนต์เหมือนกับสอนใจเราวันนี้อาลมาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องความรักซึ่งอาลมาก็เมื่อได้พูดมาก่อน พอเมื่อไม่กี่วันก่อนเอามานั่งดูวิดีโอคลิปมีอยู่เรื่องหนึ่งเสือดาวได้ฆ่าแม่ลิงแลังจากฆ่าแม่ลิงแล้วก็ลากแม่ลิงไปทําท่าจะกินเป็นอาหารคือเสือดาวฆ่าแม่ลิงเนี่ยฆ่าด้วยสัญชตาตญาณนะสัญชตาตญาณสัตว์เนี่ยคือเห็นเป็นอาหารเนี่สายตาก็เหลือบไปเห็นลูกลิงลูกลิงน้อยอะ่ะกำลังน่ารักเลยแล้วก็มีพวกหมาเนี่ยทาท่าจะมาทําร้ายเสือดาวก็ไปไล่หมา แล้วก็ปกป้องลูกลิงแล้วก็คาบลูกลิงเนี่ยมาเลี้ยงตำหลักลูกลิงน่าจะเป็นอาหารเสือดาวนะฮะแต่ว่าเสือดาวตัวนี้รักเหมือนแม่เลยลูกลิงจะตกต้นไม้ก็ใช้ดันให้ขึ้นต้นไม้เลียหัวให้เขาอบอุ่นดูแล้วก็กซาสึงใจว่าสัตว์นี่ก็มีหัวใจมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรือสําราญลํานึงเนี่ยเกิดบรสุมแล้วก็ทําค่อยๆโจมลงสู่ก้นทะเล สามีภรรยาที่อยู่บนเรือสําราเนี่ยก็หนีตายจนมาถึงเรือชูชีพแต่เรือชูชีพเนี่ยสามารถดั่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นสามีก็ผักภรรยาแล้ตัวเก็โดดลงไปในเรือแล้วก็บองหน้าภรรยาภรรยาอยู่บนเรือก็ตะโกนสุดเสียงเล่าถึงตอนนี้อาจารย์สอนนักเรียนชั้นก็ถามนักเรียนว่าพวกเธอรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้ว แล้วภรรยาเนี่ยบอกอะไรกับสามีเด็กก็เรียนในชั้นต่างแสดงอา ร, รม์เกี่ยวกาศโกรธโกรธสามีที่เห็นกับตัวไงที่ว่าเอาตัวรอดคนเดียวจะทิ้งให้ภรรยาตายสังเกตเด็กก็เรียนทั้งชัง้นในห้องเรียนเนี่ยจะแสดงอา ร, รม์โกรธหมดเลยแล้วก็คิดแทนภรรยาด่าด้วยคำห ย, ยาบหยาบคลายๆแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งนิ่งด้วยความสงบครูก็สงสัยเข้าไปถามเด็กก็บอกว่า ผู้หญิงเนี่ยน่าจะบอกสามีว่าให้ดูแลลูกเราให้ดีดนะครูก็แปลกใจว่าเธอเคยรู้เรื่องนี้ทางเรื่องนี้เหรอเด็กตอบว่าเปล่าแต่แม่เคยบอกพ่อแบบนั้นครูบอกใช่ถูกต้องแล้วคือภรรยาเนี่ยบอกสามีให้ดูแลลูกให้ดีๆังจากลูกสาวโตเนี่ยสามีก็ป่วยเสียชีวิตไปในที่สุดลูกสาวก็ค้นหาแดารี่ของพ่อที่บันทึกไว้ เขาเปนพ่อเขียนไว้ว่าใจเนี่ยอยากจะตายร่วมกวับเธอแต่ทําไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกสาวต้องทําหน้าที่มาเลี้ยงลูกสาวให้โตก่อนคือฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายถึงจะกลักกับกาสามีได้เธอต้องตายอยู่ดีแต่คือต้องเสียละ่ะตายแบบมีคุณค่าให้สามีมีชีวิตรอดฉะนั้นบางครั้งแหละคนเราจะมองคนแบบผิวเผินไม่ได้บางทีสายตามันหลอกมีหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจคนอื่นอย่างบางคนเนี่ย ชอบแย่งจ่ายบินแทนเพื่อนไม่ใช่เพราะเขารวยนะฮะแต่เขาเนี่ยเห็นมิตรภาพดีกว่าเงินทองหรือบางบางคนชอบทํางานมากคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เขารักหน้าที่หรือบางคนทะเลาะแล้วทะเลาะกันแล้วชอบขอโทษเขารู้จักถนอมมิตรภาพทั้งรู้ถนอมน้ำใจของคนรอบข้างบางคนชอบส่งข่าวสารให้บ่อยๆไม่ใช่ว่าเขามีเวลาว่างเสมอ แต่เขามีคุณอยู่ในใจเขาเรื่องทําแบบนั้นถ้าหลายคนเนี่ยจริงไม่ได้เป็นไปาตามที่เราเราเห็นน่ะอาจจะเปเบื้องหลังหรือบางอย่างที่เรามองผิดพลาดได้ังนั้นเราอย่าตัดสินใจคนแบบผิวเผินพวกสัตว์ด้วยความรักลูกก่อนมาเห็นเคยดูวิดีโอคลิปหลายหลา ย, หลายคลิปนะลูกอย่างงูเหลือมเนี่ยยอมตายเพื่อลูกได้คือไฟไหม้เรามอเนี่ยงูเหลือมสามารถหนีได้นะสบายสบายเลยแต่เขาไม่ไปเ้าม้วนตัว ปกป้องลูกไงเพราะเขาออกไข่มาจนตายพร้อมพร้อมลูกไปเลยลูกยังไม่เกิดอันนี้คือน้ำใจของแม่มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นมานานแล้วประมาณ34ปีก่อนปีพานอยู่คนหนึ่งชอบกินเนื้อลิงเป็นอาหารวันหนึ่งก็เข้าป่าไปเห็นลิงอยู่ตัวดีหันหลังให้แกก็ใช้ปืนยิงแต่เป็นเรื่องที่แปลกยิงโดนลิงงจงยิงไม่ลิงเนี่ยไม่ยอมตกต้นไม้นะ ลิงเกาะต้นไม้ไว้แน่นเลยแล้วก็ร้องด้วยเสียงอันดังดังแบบโหยหัวนีฝูงลิงที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็รีบเข้ามาดูแล้วลิงตัวนี้ก็โยนวัตถุดําๆให้แล้วก็ตกต้นไม้ลงมาตายพานก็รีบเข้าไปดูลิงเห็นลิงเนี่ยโดนยิงที่หน้าอกเลือดไหลโชกไว้หมดเลยแต่สิ่งที่ในพานสะเทือนใจที่สุดก็คือสิ่งที่ลิงโยนไปน่ะคือลูกลิง คือขณะที่ตัวเองยิงเนี่ยแม่ลิงกำลังป้อนนมให้ให้ลูกอยู่ลูกกาลังกินนมอย่างมีความสุขพ่านน้าตาไหลเต็มใบหน้าไปหมดมีความรู้สึกว่าสงสารและเห็นใจอ่ะเพราะตัวเองการะทาสิ่งผิดพลาดคือภาคชีวิตคนอื่นทำลายความสุขของลูกลิงที่กําลังกินนมจากแม่วันนั้นกต้นปามาเนี่ยพ่านก็นํานํำปืนเนี่ยไปเผาทิ้งเลย แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากคนที่เยี่ยมโหดก็กลายเป็นคนมีเมตตาต่สัตว์คือเกิดความรู้สงสารนั้นคนเราจะเปลี่ยนจิตใจก็ได้นะมีหลายคนที่เขาจิตใจไม่ดีโหดเยี่ยมเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยสำนึกผิดเขา ก, กลับหรือกับตัวเป็นคนดีได้แต่บางครั้งก็กลับไม่ได้เหมือนกันอย่างสมัยพุทธกาลมีพิสูจ น, น, น, น, นีอยู่รูปนึงพิสูจนีรูปนี้เป็นพระอาหารชื่อกุณฑนเกสีอันมาอยอาจําชื่อผิดก็ได้นะเพราะว่าภาษาบาลีบางทีเรียกยาก เรียคุณคุณทนเกสีก็แล้วกันก่อนที่เธอจะมาบวชเนี่ยเธอเป็นลูกสาวเศรษฐีเธอเป็นคนมีไหวพริบฉลาดมากแต่บางครั้งความรักก็ทำให้คนตาบอดคนฉลาดก็ทำอะไรโง่ได้เหมือนกันคือมีอยู่วันหนึ่งมีนักขบประหารเนี่ยทางการจะนําตัวประหารได้ถูกแห่ประจานผ่านมาหน้าบ้านของเธอเธอเห็นนักโทษเข้าเธอก็ปีนขึ้นมานทีเลยเกิดความรักพอเกิดความรักปุ๊บเนี่ย เธอก็ไม่สนใจแล้วไอ้ น, นี่คือโจรคือนักโทประหารก็รีบไปบอ่อยพ่อบอกถ้าถ้าเธอเนี่ยไม่ได้นักโทษคนนี้มาเป็นสามีเนี่ยเธอคงตายแน่นอนเลยพ่อต้องช่วยด้วยช่วยด้วยฝ่ายพ่อสองสารลูกสาวอาศัยว่าเป็นคนมีเงินจึงไปติดสินบ น, จ น, บนเจ้าพนักงานนั่นแหละให้หาแพะบรั บ, บาคือเปลี่ยนนักโทษโดยยัดเยียดเงินทองให้เยอะแยะการติดสินบนเนี่ยมีมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนนู่นแล้วเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วแหละเงินเป็นสิ่งที่อำนวยพอสะดวกมาให้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนถูกให้เป็นผิดได้ก็ติดสินบทสําเร็จนับโทษประหารก็ได้มาอยู่กินเป็นสามีภรรยากับลูกสาวเศรษฐีใหม่ๆก็ดีอ่ะใหม่ๆแต่ต่อพออยู่ไปสักสพักหนึ่งเนี่ยโจรก็คือโจรโจรเห็นที่บ้านเศรษฐีเนี่ยหรูหรามีทรัพย์สมบัติมากมายแถมภรรยาก็มีทั้งเครื่องเพชรเครื่องประดับ ระห่างแพงก็เกิดความโลภแล้วอยากใช้ชีวิตแบบโจรน่ยคือคือโจรไม่ได้รักลูกสาวเศรษฐีเลยก็เลยวางอุบายหลอกหลอกลูกสาวเศรษฐีไปเพื่อหวังจะฆ่าแล้วแล้วก็หมายทรัพย์สมบัติของเธอด้วยแล้วอุบายนั้นก็สําเร็จฝ่ายภรรยาก็เชื่อโดยบอกว่าจ้องทำพิธีกา ร, รบนเขาเพราะเคยบนบานศาลเก่าวไว้ภรรยาก็แต่งชุดใหญ่เลยแหะใส่เครื่องเพชรเครื่องประดับมากมายแล้วก็คนใช้แต่ไปถึงตีนเขาเนี่ย โจรก็วางอุบายให้ไปแค่สองคนไล่คนใช้กลับบ้านขั้นขึ้นไปบนเขาแล้วโจรก็แสดงความเป็นโจรออกมาคือหัวเราะแล้วผู้จาดูถูกฝ่ายภรรยาภรรยาก็บอกทำไมพี่หญงทำแบบนี้เพราะทรัพย์สมบัติของเธอเนี่ยก็คือของสามีอยู่ดีแหละแต่โจรก็บอกว่าถึงเธอให้ก็จริงสักวันหนึ่งเธออาจเอาคืนก็ได้สู้เราฆ่าเธอเสียแล้วหนีไปดีกว่าภรรยาก็วางอุบาย บอกว่าไหนๆก็จะตายแล้วขอกากสามีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็หามุมเหมาะๆเนี่ยคือสามีตอนนั้นก็ยืนอยู่ ใ, ใกล้หน้าผาแหละเธอก็เวียนคือเวียนวนอยู่สามรอบอะ่ะตามประเพณีของอินเดียนะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่โจรเถอเธอก็ผลักโจรตกเขาเลยในเนื้อเรื่องเลยเทวดาสาธุด้วยนะว่าเธอทําถูกแล้วหลังจากผลักโจรตายด้วยไหวพริบช้อนหน้าเนี่ย เธอก็ไม่กล้ากลับบ้านแล้วแหะและอายใจไม่กล้าสู้หน้าพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปแล้วก็ไปเข้าสํานักปฏิภาชกไปบวชเป็นนักบวชหญิงแต่เธอเป็นคนที่พูดจาฉลาดโต้วาทะเก่งคือถ้ามีการพูดธรรมะเนี่ยเธอมักพูดชนะเสมอจนมั่นใจตัวเองมากถึงกับท้าให้คนมาประลองผู้โต้วาทะกันโดยการนํานํากิ่งว่าเนี่ยเอาวางไว้ แล้วก็ประกาศว่าใครมาเหยียบกิ่งว่าเนี่ยก็ถือว่ามาท้าเธอประลองหรือมาโตวัฒน์วันหนึ่งพระสารีบุตรเดินทางผ่านมาเห็นเด็กอยู่บริเวณนั้นก็ถามว่ากิ่งว่าเนี่ยหมายความว่าไงเด็กก็เล่าไปบอกว่าเป็นเครื่องหมายโตวัฒน์พระสารีบุตรก็ให้เด็กมเหยียบกิ่งว่าแล้วก็เดินไปไผนางกุลทศเจสีเนี่ยพอรู้รู้ข่าวก็รีบวิ่งตามแล้วก็มาถามพระสารีบุตรว่า ท่านจะมาขอประลองโต๊บัตรทชัไหมาพระสารีบุตรก็ตอบว่าใช่แล้วทั้งสองก็โตวัตราการันโดยพระสารีบุตรเนี่ยให้นางกุลทนเกษีเนี่ยเป็นฝ่ายถามก่อนแล้วท่านก็ตอบได้ทุกเรื่องเลยจนนางเนี่ยหายข้องใจแล้วพระสารีบุตรก็ถามนางกลับบ้างว่าอะไรเป็นหนึ่งเ ธ, เธอก็ตอบไม่ได้เธอก็ตอบไม่ได้อะไรชื่อว่าหนึ่งเนี่ย ไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้นางก็ถามว่าพระสารีบุตรเรียนมา่ากไหนก็บอกอ่าเรียนมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ได้แต่มีเงื่อนไขจะสอนได้เฉพาะคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนางอยากได้มนนี้อยากได้ความรู้นี้จึงเปลี่ยนที่กายเข้ามาบวชเป็นพิษุนีหลังจากบวชได้ไม่กี่วันก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ จนเป็นที่มาของว่าชนะฆ่าศึกหรือชนะโจรภายนอกเนี่ยก็สู้ชนะใจตนเองไม่ได้คือบางครั้งความรักก็ทำให้คนฉลาดไปคนโง่ได้อันนี้คือเรื่องจริงในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้อธมาชอบนำมาโพสใน Facebook 2ปีติดกันเลยส่วนมากจะโพสในวัน ว, น ว, นวนาเลนไทน์มีชายหญิคู่หนึ่งรักกันมากต่างฝ่ายต่งางก็มั่นใจในความรักซึ่งกันและกัน ว่ามั่นคงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่หวั่นไหวแล้วทั้งคู่วันหนึ่งก็ไปเดินเล่นในสวนเพอเออไปเจอนางฟ้าเข้านางฟ้าเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันจึงปรากฏกายแล้วก็บอกว่าทั้งคู่อยากเห็นอนาคตไหมทั้งคู่ก็บอกทั้งคู่ก็หอกอัรรใจซึ่งกันและกันนางฟ้าก็เลยเสกซีดีให้สองแผน่นให้ทั้งคู่ไปเปิดดู ฝ่ายหญิงหลังจากได้ CD ดีแล้วขันกลับบ้านเนี่ยก็นําเข้าเครื่องเปิดเลยตอนแรกก็เป็นฉากได้แต่งงานกับสามีเธอก็มีความสุขมากอะ่ะคือปลื้มใจคั้นภาพฉายไปเรื่อยสิ่งที่ปรากฏในภาพก็คือสามีของเธอมีชู้เธอก็นั่งร้องไห้เสียใจตอนนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยตอนเนี้ยดูไปร้องไห้ไปสักพักนึงก็ได้เสียข้อประตูเธอก็ไปเปิด เห็นชายคนรักมาเธอก็ไม่พูดพ่าทําเพกงอะตบหน้าคนรักกันทีเลยว่าทําไมถึงมีชู้ฝ่ายชายงงเพราะไม่รู้โดนตบเรื่องอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วหลังจากนั้นเน่ยเธอก็หาวิหาวิธีเนี่ยทําทุกอย่างเพื่อจะให้เลิกคนรักเพราะตอนนี้ไม่ไว้ใจคนรักแล้วคือคิดว่าชายคนรักเนี่ยสักวันต้องนอกใจเธอแน่คือมีชู้เธอปากให่เชื่อแบบนั้นก า, าลเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตู เธอก็เปิดประตูมาดูก็เห็นหลังวัยวก็รู้ว่าเป็นชายคนรักของเธอเองและที่พื้นน่ก็มีแผ่นซีดีแล้วก็จดหมายอยู่แผ่นหนึ่งเธอก็นำแผ่นซีดีของชายคนรักเนี่ยไปเปิดดูก็คล้ายกับของเธอทั้งคู่แต่งงานกันแต่ภาพภาพในในซีดีเนี่ยถึงถึงระยะนึงเนี่ยกลับกลายเป็นฝ่ายชายนั่งร้องไห้นะเพราะเธอเธอมีชู้เป็นผู้ชายนั่งร้องไห้เธอ เห็นอย่างนั네้นเธอก็เสียใจแล้วก็ไปดูกระดาษที่เขียนเนื้อความในจดในในกระดาษเนี่ยก็บอกว่าฉันเน่ยมั่นใจในรักของเราเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วขอลาก่อนฝ่ายหญิงก็เสียใจฉั้นคนรักที่สัญญากัรว่าจะรักการชั่วฟ้าดินสลายพอถึงเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนได้พอไม่เที่ยงอันมาก็เห็นมาหลายคู่แล้ว เพรความบางครั้งความคิดเป็นหลอกไงความคิดพอว่าคนที่รักไม่ได้เป็นไปดังใจเราอ่ะก็เห็นไปหลายคู่ต้องเลิกกันบางที <t <t ่รักกันมากมายสัญญอสัญญาจะอยู่กันชั่วฟ้าดินสลายบางครั้งก็ทําไม่ได้บางทีก็เลอะแวกอีกฝ่ายหนึ่งมีชู้ม้างมีกิ๊กมั่งเรื่องนี้ก็สูบแล้วถ้าจะรักก็ต้องมั่นใจเชื่อถือในคนรักด้วยชีวิตถึงจะไปรอด แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนั่งเล่นอยู่ในสวนสวนดอกไม้นะลูกศิษย์ก็มาถามอาจารย์ว่าทำยังไงเราถึงจะเจอคู่แท้อาจารย์ก็ตอบว่าเรื่องที่เธอถามเนี่ยจะว่าตอบง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเอางี้ก็แล้วกันเธอลองเดินเข้าไปในสวนดอกไม้นะแล้วก็เด็ดดอกไม้มาให้ อาจารย์หนึ่งดอกเต๋ามีเงืเ่อนไขเธอห้ามถอยหลังกลับแต่ขอดอกเดียวนะลูกศิษย์ก็หายไปสักพักใหญ่แล้วก็กลับมาแต่ในมือไม่มีดอกไม้เลยอาจารย์ก็ถามว่าทำไมถึงไม่มีดอกไม้ทํำไมกลับมามือเปล่าศิษย์ก็ตอบว่าไม่กล้าจะเด็ดเพราะว่าลึกๆแล้วคิดว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีดอกไม้ที่สวยกว่าหรือดีกว่าแต่อาจารย์สั่งให้ถอยหลัง จึงเดือ เ, เรื่อยมามา้ตัวทีก็สุดสวนซะละอาจารย์อธิบายว่าดอกไม้เนี่ยก็คือรักแท้หรือคู่แท้ส่วนก็คือการเวลาเพราะบางครั้งรักแท้เนี่ยมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าพลาดโอกาสนั้นก็จะสูญเสียไปเพราะโดยทั่วไปเนี่ยที่คนหารักแท้ไม่ได้เพราะว่าเรียกร้องบางทีตั้งตั้งเป้าไว้สูงมากเลย อย่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยบางทีผู้หญิงก็ต้องตั้งเป้าว่าผู้ชายจะมีความรู้หน้าตาหล่อรวยมั่นคงเป็นคนดีไม่เยาชูไม่กินเหล้าไปเล่นกาพนา น, นคือมีเงื่อนไขยเยอะแยะหมดอะฝ่ายชายก็มีเงื่อนไขเหมือนกันผู้หญิงต้องนิสัยดีเป็นแม่สีเลือนทำอาหารเก่งแล้วอื่นๆมากมายไม่จุกจิกจู้จี้ขี้บน่น แต่มันเป็นไม่ได้อะ่ะทุกคนก็มีกิเลสมีอุปนิสัยที่สั่งสมมาใหม่ๆรักกันก็หลอกกันแหะแต่พออยู่ไปนานๆ น, นิสัยแท้จริงก็ปรากฏอันนี้จึงมีหลายคู่ที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นผู้ชายตอนแรกก็ไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่เล่นกับนานพออยู่ไปนานๆก็หลายออกเทีเ่ยวมากอะไรบัง่งผู้หญิงบางคนก็ชอบเล่นไพ่ชอบดินทาคนจิกจุจีจจจ้ขี้บน่นอะไรใจตัวเอง อันนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปถ้ารักแท้จงหายากคู่แท้ก็หายากเพราะบางครั้งเราแมา้แกผิดหวังแต่บางคนก็ดีนะบาง、ดีหลายคู่ที่ก็อยู่กันจนแก่เท่าจนตายไปก็มีแต่มีน้อยส่วนมากบางคนก็เลิกกันบางคนก็อยู่กันแบบเพื่อนบางคนอยู่แบบใช้คำใช้เวรอยู่แบบไม่มีความสุขความรักบางครั้งก็ ทำให้โลกเด่นหน้าอยู่ทําให้คนเกิดกําลังใจทําให้คนเนี่ยมีความหวังในชีวิตบางคนเนี่ยก็ทําเพื่อลูกเพื่อสามีทําให้เห็นคุณค่าของตัวเองแต่ละคนที่ไม่มีความรักบางครั้งก็รีดทำเพื่อใครก็มีชีวิตที่เกกว้งคว้างหลายจุดหมายอันที่ข้อดีคือความรักแต่ข้อเสียของความรักก็มีคือทําให้คนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นหวงแหน เราจะเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยคนออกหักฆ่าตัวตายบ่อยมากเลยบางคนเมื่อไม่นานก็เห็นผู้หญิงแขวนคอตายหรือเห็นบางคนเนี่ยไปฆ่าเขาอื่นฆ่าชู้มั่งฆ่าคิ๊กมั่งหรือทําร้ายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เกิดจากความรักนั้นเลยบางครั้งความรักเป็นพิษแต่ถ้าคนมีปัญญาความรักก็เป็นความสุขได้สามารถใช้ความรักนั้นร่วมทุกร่วมสุขแล้วก็มีเป้าหมาย คือพ้ทุกข์ได้เหมือนกันแต่ก็หายากความรักสามารถทําให้เดินไปทางไปถึงนิพพานก็ได้แต่ไม่ค่อยมีหรอกครับที่เรื่องที่อาปาพูดเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ก็มีน้อยคือใช้ความรักคือเห็นเห็นทุกข์เห็นมีคู่หนึ่งก็มีคนดิจำลองกับภรรยาเนี่ยก็ฝ่ายสามีก็ถือศีลแปะ ก, ก็อยู่แบบเพื่อนอันนี้ก็แปลกแลกอยู่ชลินนันทนาคออยู่เพชรลาเพชราตาบอดก็อยู่กันตั้งหลาย10ปีก็มีความสุขหรือบางทีฝ่ายชาย พิการหรือฝ่ายหญิงพิการถ้าคนรักแท้ก็ดูแลกันจนตายจากไปข้างหนึ่งก็มีแต่บางคนรักไม่แท้พออีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาปุ๊ก็ทิ้งเลยเลิกกลัวเป็นภาระเป็นปัญหาก็มีเยอะตามตามหน้านหนังสือพิมพ์มือตามข่าว่ะเราจะเห็นบ่อ ย, อยเรื่องความรักจะเป็นเรื่องที่พระไม่ค่อยพูดเท่าไหร่หรอกอันนมาก็นํามาพูดให้โยมฟังเห็นเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าวัดเรา เ, เป็นวัดสอนเรื่องความรู้สึกตัวเพราะงั้นอาจารย์ที่มาพูดธรรมะส่วนมาก ไม่ว่าจะแบบอาจารย์อ๋อจะล้มใจเนี่ยจะจ ะ, จะพูดรู้สุดตัวอย่างเดียวอาจารย์วัราชชัยก็จะพูดเรื่องอนัตตาอาจารย์อวสินก็พูดเรื่องสุดตัวมีอาธมาเนี่ยแหละที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาชอบพูดเรื่องที่เขาไปพูดกันเพราะเห็นว่าบางครั้งก็เป็นมุมมองใหม่ทุกอย่างก็ให้โยมฟังถามแบบสบายๆด้วยเพราะถ้าเราจะเราจะรู้สึกตัวกับนิพพานเรื่องหนักๆเนี่ยมันก็ยาขมม้อใหญ่บางทีก็ต่อกับโยมไม่ติดเหมือนกันนะเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องหนักอะ่ะเหมือนว่าต้องให้หลุดพ้นอย่างเดียว เราไปชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตโลกอยู่มีความสุขด้วยแล้วก็เดินทางธรรมด้วยพราะไม่ไม่แบ่งเราไม่แบ่งโลกกับธรรมนะเพราะว่าถ้าแบ่งจะขัดแย้งกันทีเลยอย่ามาคนไปนเสดทางโลกก็ขัดแย้งหรือทางโลกไปเสดธรรมะก็ขัดแย้งทางโลกกับทางธรรมไปด้วยกันเพราะว่าอย่างคนถือศีล8หรือถือศีลหก็จะถ้ายึดมัน่นก็จะคิดตัวเองคนดีก็จะรังเกียจคนที่ไม่ถือศีลแต่ถ้าเราไม่ถือศีลไม่มีศีลเลยเนี่ย แล้วก็ทําตัวเหลวไหลตามใจกิเลสทําให้ชีวิตมีปัญหาได้โลกธรรมเนี่ยมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริอมมีนิท า, ทาไม่แบ่งธรรมะทุกสิส่งทุกอย่างเป็นธรรมะหมดพวกโยมอยู่บ้านก็สามารถปฏิบัติทําได้อยู่วัดก็สามารถปฏิบัติทําได้แต่ถ้ายมไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่วัดก็ไม่ก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ธรรมะเพราะธรรมะอยู่ที่ใจยโยมไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระแค่เรา รู้ว่าเราเผลอไปคิดอะไรแล้วกลับมารู้สึกตัวนั่นแหละอันนั้นคือธรรมะธรรมะจริงๆแล้วมีรู้กับหลงสองอย่างนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกคือถ้าไม่รู้ก็หลงถ้าหลงก็ไม่รู้อันที่ข้อสรุปคือคิดรับติดอารมณ์หรือไม่ติดอารมณ์ถ้าคิดติดอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่หลุดจากอารมณ์นั้นได้เรื่องเดียวกันบางทีสามารถปรุงแต่งได้หลายวันหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้คือคิดแล้วติดไงแต่ถ้าคิดเราไม่ติด เรื่องนั้นก็ผ่านไปเพราะธรรมชาติจิตมันต้องคิดไงมีคิดแล้วติดอะคิดแล้วไม่ติดอาจารย์ออสธรรมดาท่านเทศเนี่ยท่านจะไม่ทิ้งรอยไว้เลยอันมาสังเกตเกือบสาเดือนแล้วที่ท่านเทศคือท่านจะเป็นธรรมะแบบปัจจุบันแล้วหลังจากท่านเทศเสร็จก็ไม่รู้ว่าท่านเทศอะไรเมื่อวานคุยกันกน็ไปอย่างเงี้ยตลอดอยังไงอานมาก็ชอบทิ้งรอยให้โยมจําไม่อยากให้โยมหรือบรมาเวลาเวลาพูดก็จะมีเรื่องมาลงมาเล่าอะไรเยอะแยะหมดแต่ที่จริงธรรมะจริงไม่มีอะไรนะมีเห็นนั่นแหละมีรู้กับเห็น2 อ, อย่าง แล้วก็กรู้ก็หลงเผลอก็หลงอะ่เะเผลอไปก็หลงไปปรุงแต่งรู้สึกตัวอารมณ์ปรุงแต่งนั้นก็หายไปมีแค่นั้นแหละจริงๆแล้วนั่นก็เป็นเรื่องเล่าคนพุทธมารู้ต้องจำํำมันก็ต้องคิดนะไม่มีใครเรากพุทธมาไม่คิดต้องคิดหมดแหละคิดแล้วมาพูดอะ่ะถ้าไม่คิดมันก็พูดไม่ได้อัตมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาแล้วแหล ะ, หละขอให้เจ้าได้ทำมีความสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้